พี่น้องญาติโยมแขกผู้ ที่พวกได้จัดงานอันยิ่งใหญ่ขึ้นมารำลึกนึกถึง นึกถึงที่พวกเรา ฉะนั้นอาตมาจะได้ตาม ในภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติเป็นความจําเป็นในชีวิตของพวก มาอย่างยิ่งกับมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายตลอดถึงเทวบุตรเทวดาอย่างทําไมเพราะหลักคําสอน เทพพระพุทธเจ้าสอนไว้ให้พวกเราเป็นคติข้อ พี่น้องญาติโยมแขกผู้มีเกียรติ ความเป็นสมบัติที่ นำให้ดวงจิตดวงใจ การเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ เดินเข้าสู่สุขสมบัติสวรรค์สมบัติและ หลับตาโดจิตใจให้น้อมจิตใจของพวกเรา อย่างที่ว่ามานั้นหนึ่งอันที่สองว่ามานั้น 1 อันที่อย ไม่ใช่ว่าสอนไว้ให้พวก เมื่อทั้งแฉปนัยรวมเข้ามาสมาธิและ ศีลสมาธิและปัญญาจะ ทางวาจาของพวกเราให้เป็นประโยชน์แก่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายต้อง ให้เรามารู้มาเห็นเรามารู้มาเห็นฉะนั้นดูลักษณะ กุศลลอันนี้ลักษณะหนึ่งลักษณะหนึ่งพวกเราในขณะ คำว่าญาณความรู้หรือไม่เหมาะกับพวกเรานี้พี่ ชื่อธรรมญาณญาณความรู้คำนี้เป็นของพระพุทธเจ้าพระอริเจ้าอันนั้นเป็นของท่านยกให้อาศัย ชาติรู้คือดวงจิตดวงใจของพวกเราในขณะนี้เพราะดวงเป็นคติ ญาณสังวรญาณความรู้สังวรระวังระวังอะไรใจของพวกเรายังอยู่ พระสงฆ์องค์เจ้าสมมุตติสงฆ์สาวกสามิกายังอยู่ในฐานะสามัญชนปุถุชนมีอะไรเป็นเครื่องวัด และตัณหาทั้งหลายถ้าเผื่อพวกเราดูในดวงจิตดวง และยังมีตัณหาที่เป็นบ่อเกิดแห่งปัญหา กามตัณหาภาสาของเราคืออารมณ์เพศมี เวภวะตัณหาคือความสำนึกจิตใจของพวกเรา ขึ้นชื่อว่าความแก่ความเฒ่าเนี่ยไม่มีใคร ลักษณะเราไม่ต้องการความแก่ความเจ็บความตายนี่ ญาณญาณังให้ยกตัวอย่างอันนี้ลักษณะโมหะความหลงตัณหากามมันจะเกิด ขึ้นเชื่อนั้นพระพุทธเจ้าสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจิตดวงใจของพวกเราฉะนั้นพระผู้มี ตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองพระ ละเลิกโลภเมื่อพวกเราใช้ธรรมของพระพุทธเจ้าเรียนรู้ว่าเออนี่ ลักณะของลักษณะของปัญญาธรรมเป็นศีลลักณะของความเป็นธรรม ที่พวกเรารักษาศีลจําเป็น เหมือนแผ่นเห็นใหญ่ยาวๆฝังลงนึกลมมาทกเทศใหญ่ๆมันเห เหลือเสาเห็นใหญ่ๆยาวๆฝังลึกๆโผล่ขึ้นมาลมมาๆที่อันนี้ก็ฉันใด สีรังสีลาท่านเปรียบเหมือนแท่งเหลนก้อนเหลนพี่ แห่งที่เห็นก้อนเห็นแผ่น ใจตั้งได้ดีเป็นปกติได้ คือความปกติรักษาตั้งใจเพื่อให้ใจตั้งอยู่เป็นปกติ ตั้งตติเพื่อให้ตติตั้งอยู่เป็นปกติเพราะตติเครื่อง ความเป็นถ้าขาดมากของศีลก็อ่อนกำลัง สติไม่ตั้งเรียกว่าสติน้อยถ้าลอย ถ้าใจมีปัญหาน้อยค่อยยังชั่วหน่อยใจมี เห็นหน้าเป็นห่วงหน้าสงสารชัดเลยหน้าเป็น จึงย้ำความละเอียดเพื่อให้ก้าวเข้าสู่สมาธิคือความตั้งมั่นหนักแน่นมา การเรียนรู้ศึกษาลักษณะของศีลส่วนกลาง ท่ามกลางของประเทศชาติที่เกิดขึ้นแหมทั่วโลกเดี๋ยวนี้โลกเดี๋ยวนี้มัน แม้เราอยู่ในบ้านไทยเมืองไทยเนี่ยประเทศไหนปัญหาอะไรมีธุระอะไรพวกเราสามารถ ตรงนี้นี่เองถ้าเพื่อพวกเราหนักแน่น เป็นเครื่องวัดความผิดความ เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเราของสังคมทุกวันเนี่ย อยู่ในนั้นเอาเส้น 5 ข้อได้ไปเป็น ที่พระพุทธเจ้าอำนาจของศีลของธรรมนี่มีไว้เพื่อคุ้มครองปก แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นท่ามกลางของสังคมเดี๋ยว 5 ข้อเนี่ยมัน หน้าตรวจสังเวชเมตตาสงสารเหลือเกินท่ามกลางกรองสังคมเดี๋ยวนี้ศีลหน 5 อันมีค่ามีราคาบุญพามาเกิดแล้วเอา กสาธุอัตถโบทนาที่ใครมีจิตใจหนัก ที่เขายังไม่เข้าใจว่าคนฆ่าของศีลธรรมหลักพุทธธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้สอนแก่เทวดาและมนุษย์ทั้ง พี่น้องญาติโยมแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน รูปสมบัติของพวกเราจะเพศหญิงเพศชายมีขาทั้ง 2 สมบูรณ์มีแขนทั้ง 2 สมบูรณ์ ลองวิเคราะดูเอาสมมุติว่านาย ก. นางขอเนี่ยคนเอินบริษัทเอินเขาจะมาขอซื้อขาซื้อเขนสักข้างเนี่ยลองประเมินราคาเอานาย ก. นางขอเนี่ยถ้าตั้งใจดีดีตั้งสติได้ดี เท่าไหร่จะประเมินราคาราคาขายได้ปาดโต จะเห็นสมบัติล้ำค่ามีค่า ไม่เคยได้ชิดเคยได้คิดพ่อแม่คนไหนไม่เคยได้คิดว่าการ แล้วโตทั้งกายโตทั้งใจจึงมีสมัยใหม่ยกนี้ นั่นคือหมายความว่าการศึกษาเล่าเรียนยกนี้สมัยนี้ส่งเสริมเรียนด้านคุณวุฒิอย่างเหลียวความรู้ความฉลาดด้าน ความเรียนมาแล้วทางโลกเขาว่าเอามาไว้ที่สมองความเอามาไว้ที่ดวงใจที่ศึกษา เมื่อเรียนรู้เรียนรู้ถ้ารู้คือดวงจิตดวงใจเนี่ย ถ้าเพื่อพวกเราไม่นึกถึงหลัก จะนําความรู้ที่พวกเราแม่ลงทุนให้อุตส่าห์ไปศึกษาเล่า ตรงนี้นี่เองสร้างปัญหาเกิดขึ้นแก่ มันเป็นกฎสมบูรณ์แบบธรรมชาติคือเป็นคู่ไม่ว่าแต่ความรู้เลยความเป็นธรรมชาติอยู่คู่ซ้ายขวาล่างมัน มีข้างเดียวใช่ได้มั้ยได้แต่ไม่สมบูรณ์มีผู้หญิงมีผู้ชาย แล้วก็สอนภาษาใจความสำนึกความรู้สึก ตรงนี้นี่เองพี่น้องผู้มีพระพุทธเจ้าจึงตรัสตรุว่าอํานาจของกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุๆเป็นทุกข์จริงๆสร้างปัญหาเกิดขึ้นๆตัณหาความ ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามนะความอยากความต้องการเนี่ยท่านมีหลักธรรมเสริมว่าฉันทะให้ ทั้งพระภิกษุสงฆ์องค์เจ้าทั้งบุญรับบำเพ็ญกุศลๆตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ล้วนแล้ว แต่เตือนให้รู้ว่าความอยากนี่น่ะใครเรียนรู้ว่า แล้วควรไหมเมื่อมาเรียนรู้ไหมทีเนี้ยเมื่อมาเรียนรู้ควร กายถ้าตั้งใจดีๆตั้งๆปาโทษไม่มีใครหรอกจะมอบความเป็นสมบัติลำค่ารูปสมบัติ ถ้าเฉพาะอาศัยหลักวิชา พระพุทธเจ้าพระอริเจ้าครูอาจารย์ที่ศึกษาตามหลักพุทธธรรมคําสอนเห็นคุณค่าของคุณศีลคุณธรรมเข้าใจในเรื่องนี้แล้วจึงสอนจิตใจของ ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อ พวกพวกเราเคยได้ยินได้ฝั่งว่าพูดได้พวกเราเคยได้ยินได้ฟังว่าคุณธรรมจริยธรรม <c oughs> ควรจะนึกถึงคุณธรรมความรู้เป็นคู่ของคุณธรรมท่านพูดจริยธรรมมากน้อย ขอย้ำตรงนี้ให้พี่น้องญาติโยมแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน teh cycles ม tujawaj ng in a ความมีเสียญ goo ses e n Leober tuong chai k winds and y naig par say astmi b cái y gele gen o y num bay ein k breakthrough se re hy eyes is that maybe q me h da Mae thush and y je ed y โคดแรงถึงคุณธรรมมีน้อยถ้าใจดีมีความดีมากคุณธรรมที่มีใน เกิดจากจริยธรรมจริยธรรมฉะนั้นดูความ ถ้าเรียนในกิริยาที่ควรแสดงออกเรียนมันถึงจะถูกจริยาที่ควรแสดงออกเรา สำเร็จสมบูรณ์ตามแผนแผนผังนั้นสำเร็จอย่างสมบูรณ์สวย ฉะนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายเน้นหนักเพื่ออยากจะ ควรจะให้เข้าใจศึกษาเนื้อ ฉะนั้นถ้าเพื่อพวกเรานึกถึงหลักศีลธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติที่พวกเรานํา ทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าฉะนั้นถ้าเผื่อพวก กิริยาเป็นกิริยาเครื่องแสดงออกของพวกเราทุกท่านทุกเพศทุกวัยทุกชาติชั้น ปัจจัยสี่เครื่องอาศัยดูลักษณะการใช้ให้เกิดความเรียบร้อยอาศัยดูลักษณะการใช้ สอนในจริยามารยาทให้อยู่ในความเรียบร้อยการแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยการทําการทํา มันจะเกิดธรรมคือความงามพี่น้องญาติยอมลูก ความเรียบร้อยการแต่งตัวสัญชาตญาณความสำนึกทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนท่าน กามตัณหาอารมณ์เพศโลภะมาประสานกับตัณหา เดี๋ยวนี้หน้าเป็นห้วงฟังตามข่าวมิได้หมายก็ว่ามีรู้มีชื่อมีเสียงมีศักดิ์มีสีมีเกียรติมียศ ขอยำตรงนี้พี่น้องญาติโยมแขกผู้มีเกียรติ ผลนั่นคือบาปผลก็คือกรรมบาปกรรมป๋า เปรตอสุรกายสัตว์นรกเชื่อมั้ยส่วนสัตว์เดรัจฉานเออพวกเราเชื่อเนี่ยเพราะพวกเรามองเห็นแล้วก็ฟังเสียงเค้าได้ยินด้วยส่วน เพราะปะพุทธะจะอตราตรัสรู้รู้ด้วยปัญญาอันชอบมีหู ถึงเค้าขุดขึ้นมาได้คุณค่าของน้ํามันนั่น ถ้าการกรองเข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วคุณภาพอันล้ำ พระไทยของพระองค์ท่านยังไม่มีความเป็นทิพย์ยังไม่มีพระ ไปนั่งสมาธินั่งสมาธิตั้งพระทัยตั้งใจตั้งตะติตั้งตะติมาฝึกพระทัยให้จิตใจของพระองค์ ด้วยพลังของความเป็นธรรมธรรมชาตินี้ นัตถิสันติปลั่งสุขังโศกเอินยิ่งกว่าความสงบ ในเมื่อพระองค์ไข้ควรกัน ถึงความบริสุทธิ์อันนั้นแลจึงเกิดความอัศจรรย์ประเสริฐเนอเลิศขึ้นมาว่าอาสวักกยญาณ พี่น้องญาติโยมแขกผู้มีเที่ยทุกท่านแล้วพระองค์เพชรจราณนําหลักความจริงเพชรจราณเห็นทุกข์โทษ เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระ ไว้เป็นเครื่องใช้ของกิเลสตัณหาผลจึงเป็นบาปเป็นกรรม ค่าเพื่อทำกลางของสังคมประพฤตตัวอย่างนี้ถูกตามหลักศีลธรรมชาติ ถ้าเป็นเด็กเป็นผู้หญิงมันจะเกิดคุณธรรม ความสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางกาย ถ้าเผื่อพวกๆควรอย่างยิ่งบอกอย่างยิ่งที่พวกเราทุกนี่หรือบ่ได้ การฟังสินธรรมฟังศีลธรรมศึกษาศีลธรรมอย่าไปเข้าส่วนบรรดาที่วัยลูกวัยหลานที่เป็น ป๋าโทพี่น้องญาติโยมโหลกหลานถ้าเป็นคนล้าสมัยเป็นคนไม่ทัน คนที่ทันสมัยลองดูซิว่าพระพุทธเจ้าสอนน่ะ ต้องการแต่อันนั้นหรือคนทันสมัยขอถามตรงนี้คนแก่ดอกเหรอจริงๆแล้วสัมมาทิฏฐิทิฏฐิความคิดเห็นพระ สมบัติลําค่ามโนสมบัติรูปสมบัติวจีสมบัติเรามีสมบัติลําค่าเรา <c oughs> พี่น้องญาติโยมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านถ้าเผื่อพวกเราสนใจศรัทธาบ่อยบ่อยๆตั้งสติได้ สมาธิคือความตั้งมั่นสติ คุณณธรรมลองนึกถึงตามตํารา มาพิจารณาเห็นคุณค่าในรูปร่างกายนี่น่ะ และก็ประกอบส่วนเป็นน้ําเรียกว่าขันธ์ 5 ธาตุ 5 ธาตุ 4 คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟธาตุดินคือส่วนที่พวกมองพวก ธาตุธาตุเด่นธาตุน้ำส่วนที่เป็นน้ำ รวมตัวดวงจิตดวงวิญญาณดวงใจของพวกเรา ขันธ์ 5 รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ส่วนที่เรามองไม่เห็นแต่จิตใจ ตัวของเราอยู่ในลักษณะธาตุ 4 กัน 5 อันนี้ฉะนั้นน่ะบรรดาท่านผู้ฟังตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้ามาท่านก็ไม่ ถือว่าตัวว่าตนก็ยกให้ 4 ขันธ์ 5 อยู่ในฐานะที่ ช่วงระยะที่รวบร่างกายของพวกกัน 5 พออาศัยได้ยกศรัทธาความเชื่อเนี่ยปฏิบัติใน <c oughs> ไม่สงสัยสงสัยว่าบุญมีจริงมั้ยบาปไม่สงสัยจริงมั้ยเกิดขึ้นมาแล้วเท่าจริงมั้ยแก่จริง ขึ้นชื่อว่าบาปก็คือทุกข์ขึ้นชื่อว่าทุกข์ บำเพ็ญด้วยความตั้งใจจริงๆตั้งสติจริงๆไม่ลังเลไม่สงสัยตั้งสติมีสมาธิแบบ มีอยู่ในดวงจิตดวงใจของแน่นอนเป็นไปเพื่อสุขสมบัติเพื่อ นี่ผลการฟังผลการเข้าใจพี่น้องญาติโยม เหตุได้เกิดทุคคือกิเลสโลภโกรธหลงและตัณหามาประสานกันไม่ควรที่จะเอาโมหะ เมื่ออธิบายธรรมะทั้งภาคปฏิบัติที่ <c oughs>